เป็นหลงการสบายนะอธิบายทามาทั้งหมดหลังการสบายขาไห <c oughs> นสบายหลังหลังสบายการปฏิบัติใจ เกณมีปัญญาสอบสื่อเรื่องของใจ <c oughs> ในอย่างนั้นการปฏิบัติจะไม่สะดวกไม่ทราบว่าใจเป็นอย่างไรวันนี้หมุดหยิดนึกคิดไปทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เงียบสงบเป็นเพราะอะไร เพราะเราม่ไมีปัญญาที่จะนาเรื่องเหตุผลคิดที่กุ้งรุ ง, งคิดต่างๆถ้าหากคิดไปในทางแก้ไขเป็นไปเถอือมรคหรือเถือทำลายกิเลสก็ไม่ใช่ทางที่จะคิดแต่ก็คิดได้ฝ่งตรงไปเจนเกินขอบเขต เรียกว่าวิปัสสนาเกินไปสมาถะไม่มีเลยเสียเวลาพิจารณาอะไรไนมะ่พอแจ่มใสถ้าสงบเกินไปก็เป็นจิตขี้เกียจอยากคิดอยากปรุงอะไรคิดปรุงมันลำบากลำค้างอยากเกิสงบอย่างนั้นท่านเรียกว่าสมาธิหัวต่ อ, อจะเกิดปัญญาอยากทายอะไรไม่มีเรียว่าจิตสมาธิ การินสมาธิและปัญญาจะต้องไปพร้อมกันคือไม่ให้อันใดอันหนึ่งหนักเกินไปให้เป็นคู่กันไปเชียงบาเชียงไหลกันไปใจจึงจะราบรียบในการกปฏิบัติใจของเราต้องอาศัยที่ได้พิจารณา ทดสอบดูแลอยู่สม่ำเสมอในอย่างนั้นตัวเมท้าว่าทำอย่างไรจึงถูกกับจริตนิสัยของตัวจิตใจนั่นเป็นของที่ไม่มีตนในตัวแต่ก่อศาสตรจากตัวเองว่ามันคิดมันปรุงมันฝุ่งมันสงบด้วยอา น, นาจ ของสติที่บ่งบอกคือเรารู้เราพอใจจากความเป็นไปของใจงการสงบของจิตคนที่ยังไม่เคยสงบใ้ต่างหน้าต่างตาอยากํำหนดอะไรกำหนดจริงจังอย่าไปคิดสงสัยว่าอันนั้น จะดีอันนี้ไม่ถูกถ้าอย่างนั้นใครยังมีความสงสัยอยู่จิตจะรวมไม่ได้จิตจะสงบไม่ได้ต้องตัดสินใจว่าทำอันนี้หรือทำบริกรรมอันนี้จะนําความสงบสุขมาให้แก่ตนถ้าหากเราเลี้วไหลในต่างใจในอัดทำที่เรา กำหนดอยู่หรือบริกรรมอยู่นี้เห็นว่าอันอื่นดีพอไปทำเข้าอีกก็เกิดสงสัยอีกเราก็เลยเป็นคนจริงไม่ได้ <c oughs> เกิดจากความสงสัยอยู่เรื่อยไปทำอะไรก็ไม่แน่นอนเป็นคนจับจด <c oughs> ฉะนั้นก่อนที่เราจะบริกรรมหรือจะเราจะกำหนดลมหายใจหรืจะเพ่งเอาไว้ว่าส่วนใดให้ชือว่าส่วนนี้แหละจะยังจิตยังใจทองตนให้สงบระงับ ส่วนนี้แหละจะทำตัวของตัวให้เป็นผู้ดีพิเศษได้ต่างหน้าต่างตาทำจริงจังจังๆเชื่อมัน่นความคิดอื่นจะมาผ่านหรือเกิดขึ้นอย่าไปติดตามมันมุ่งมัน่นที่จะรียนาหรือกำหนดในส่วนนั้นจนจิตที่ถูกบังคับไม่ให้วงปุ่งไปส่วนอื่นสงบลงไป ระงับลงไป้าบริกรรมพุทโธก็อพุทโธเป็นจิตจิตเป็นพุทโธมีความสัมผัสอยู่ทุกระยะเวลาเมื่อรวมลงไปทำที่ว่าพุทโธก็ไม่มีหายไปเพราะบริกรรมไม่ได้ไม่คิดไม่ได้รวมลงเป็นหนึ่งอยู่สบายแล้วจะเกิดความสว่างสวยัยหรือจะเกิด ความรู้อาจารย์ขึ้นความสุขของสมาธิความสุขของความสงบเป็นอย่างนี้จิตจะเชื่อมั่นในการจะทำต่อไปแต่ยังไม่ได้เลยเห็นอะไรก็เกิดสงสัยอยู่เรื่อยหลท่านว่าสัมมาอรหังดีท่านว่าเจริญสะดีท่านว่าโลมา ด, ดีท่านว่ากาหนดลมดีกัตะคุกเรื่อยไปใจก็เลยไม่มีหลักเกียนอะไรได้ไม่ได้หลักได้เกียน ไม่เห็นไม่รู้จักสมาธิไม่เห็นไม่รู้จักทำที่เรามุ่งมั่นฉะนั้นทำอะไรทำจริงจริง จ, ง จ, งจังๆไม่เห็นผลเกิดขึ้นจากการกระทำของตนทุกอย่างจะทำจริงเป็นประโยชน์เห็นผลจริงได้ถ้าหากไม่ทำจริงเกิดสงสัยลังเลอันนั้นจะดีอันนี้จะไม่ถูก จิตรวมไม่ได้สักทีมกไม่อจิตในร่วมความสุขความสบายก็ไม่เกิดความเชื่อมั่นก็ไม่มีมันเป็นอย่างนี้ทุกคนจึงฝุดฝนตนให้เป็นคนจริงจะทําอะไรให้จริงลงไปจนให้เห็นผลจากการทํำของตนเมื่อเห็นผลแล้วจะเชื่อโดยไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าจิตร่วมเป็นอย่างไร จะเชื่อจากการเห็นการเป็นของตนเหมือนเรารับทานอาหารที่เราเครับทานรสชาติเป็นอย่างไรถึงเป็นคนใบ้าปวดไม่ออกก็จาะทร้าบาเพราะลี่นเป็นของสัมผัสกับรถนี่งพัสงบสงบอัดอทำที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นเสื่องสัมผัสกับใจใจจะต้องเห็นจากการเป็นของตัวแต่ยังไม่เห็นไม่รู้ ความเชื่อก็สุ่มเดาไปถ้าเห็นถรู้ก็จะเชื่อมั่นในตัวเองขยันมัน่นเตียนทุกการทุกเวลาอยากจะให้ได้ภาวานาอยากจะทำความสงบของจิตนี่หมายถึงขันตามสงบถ้าขันที่นี่ทีาเจรนาเหมือนกันนี่อะไรมาผ่านเหตุการณ์ต่างๆมีคนมาผูกมาคุยมีคนการมีงานอื่นรู้สึกย้ายใจไม่ไน้พิเจราแฉะใส ขอดถอนเรื่องของตัวพอจิตจติดตามเรื่องอยู่สม่ำเสมอไปิ้งขั้นวิปัสนาจิตไม่อยากจะรวมจะลงถ้ารวมเห็นว่าไม่เป็นการเป็นงานเห็นว่าเสียวเวลาเพราะรวมไม่ไม่ทำงานทั้งด้านจิตคิด ต, ตรงอยู่เสมอไปพอมันได้เรื่องอะไรมากกว่าคิด ที่เจรินาชารอบในเรื่องนั้นเรื่องนั้นจะตกออกไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาที่เจริญนาอีกที่เจรินาแก้ไขอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปใจทํางานในมีการพักผ่อนมีหมายถึงขั้นที่ปนนรินาเป็นไปแบบนั้นคอยพักผ่อนเหมือนขั้นสมาธิขั้นสมาธิมาอยากติดเพราะมันสุก ข, ขั้นสมาขั้นปัญญามากอยากเชิน ก็เห็นว่าการที่เจรณามันเป็นการเป็นงานขี่นารายได้มาให้แก่ตัวได้อะไรก็ได้การรู้การเข้าใจในอัตในธรรมต่างๆการฝึกจิตอบรมใจเป็ในไปแบบนี้ทุกท่านทุกคนไปเพราะจิตใจมันเหมือนกันมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกัน อย่่ okay, ว่ามันจิตแตกแตกต่างกันเหมือนรูปร่างต่างตัวส่วนจิตใจมันมันเป็นทำนองเดียวกันแต่จะมากน้อยกว่ากันนั้นแล้วแต่สาเหตุของบุคคล <c oughs> โกรธมากหรือโลภมากหรือหลงมากขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ okay. ก็มีเหมือนกันอย่างใช่ว่ามันหมดมาแต่วันเกิดพระพุทธเจ้าซึ่งบาเพ็ญ บารมีมาท่านก็มีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันถ้าในอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้มาเกิดอีกความโลภความโกรธความหลงจึงเป็นมูลเหตุของกิเลสตัญหาต่างๆทางศาสนาท่านจึงให้ชำระเรื่องเหล่านี้ให้หมดออกไปเบาบางออกไปถ้าเบาบางออกไปจิตใจก็มีความผ่องใสจิตใจก็มีความเย็นมีความสบายเห็นแจ้งไปจาก ชัเจนในตัวมันปล่อยวางไปเบาไปสบายไปพอเห็นโทษเห็นภัยในเรื่องความโลกความโกรธความหลงฉะนั้นถ้าโซดาบันจึงมีการชาระเร่องทิฏฐิต่างๆออกจากตัวเห็นแต่กายทิฏฐิผิดจิตใจไปหลงคิดว่ากายเป็นเราเราเป็นกายกายเป็นของของเรา ทีเรามีในกายกายมีในเราอันที่เจริญแยบท่ายลงไปท่ายจิตใจรวมได้เป็นหนึ่งเ จ, จงริญะแยงชัดประจกักษเห็นว่าเรื่องของกายเป็นถาดผันอันหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของจิตกายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งขันจึงไม่จิตในกายไม่ยึดในกายจึงไม่เือว่ากายเป็นตนตนเป็นกายกายมีในตนต้นมีในกาย อันเข้าใจชัดเจนเห็นแจางอย่างนั้นทำโลกทำหลงในกายก็เบาไปสบายไปกางีท้าท า, านะคะที่เห็นว่าก็คือการละส่วนที่มันติดข้องที่ลุ่มหลงยาบละเอียดต่างกันเพราะการที่เจรณาที่มีพื้นฐานของความสงบเียกวบวสมระ ทางศาสนาสอนการละไม่สอนการกอบโกยคนจิตเป็นโซดาติดิตาคานาคาหันลวนแต่ขวกละไม่ใช่ทันด้ทันละเพราะจิตใจเคยจิตห้องเคยสะสมเคยกอบโกยมาพอนับครบนับชาติไหนดะต่อเมื่อมาพิจารณาทำชำระจิตใจให้ขอยใจตามเป็นจริงใจกอป่อยวางถอดขอนละ เลื่อยไปลเดินใจหมดสิ่งที่ละหมดสิ่งที่บําเพ็ญจะต้องเห็นความบริสุทธิ์เป็นที่ในนี้อะไรไปเกาะเกี่ยวยึดถืออีกผู้แต ท, ำำทําบําเพ็ญจะสร้างตัดจากตนเองว่าทางละทางบําเพ็ญหมดแล้วในนี้อะไรที่จะมาเกาะเกี่ยวกับความบริสุทธิ์อันนี้ พบชาต์จะมีอีกหรือไม่เข้าใจชัดเจนในตัวเพราะตามบริสุทธ์อันนั้นเป็นเสียงบ่งบอกเราฝึกใหม่อบรมใหม่ต่างใจกระทําให้เห็นความสงบเกิดขึ้นให้เห็นอันนิสงของภาษาสนาหมันกำหนดจิจารนาให้จิตร ว, รวมรวมให้จิตสงบ ยังท่านจิตสงบก็เป็นเรื่องที่จะสู่ศรัทธาเชื่อมั่นเป็นออจาระศรัทธาคือศรทธาไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเียงไปตามเรื่องต่างๆ่างในเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนอื่นจะช่วยเหลือ่อหนุนกันได้ต้องอาศัยตัวของตัวเองฝึกอบรมให้เห็นให้เป็นอโอกาสเวลาที่เรามา อาศัยเฉพาะปลูเป็นภาราวานานๆมีโอกาสที่เข็นมาพักในที่สงบสงัดอะไรอื่นสงบสงัดไปหมดงานอื่นไม่มีนอกจากจะตํางนอ ด, ดจิตใจให้รวมเท่านั้นเพราะเรามุ่งมาฝึอกอบรมใจใช่มาฮนะรวมจิตอย่างอื่น สิเป็นี่ษย์สานมาเนนก็ไม่มีการงานอะไรนี่น่าที่ที่จะฝึกอบรมใจของตัวถ่ายเดียวมีโอกาสเวลามากแต่หากไม่จะททำบําเพนความเพนของจิตก็ไม่เกิดขึ้นจะนั่งเฝ้าอยู่วนันยังขำคืนยังรุ่งทั้งเดือนทั้งปีก็ไม่อะไรที่จะดีขึ้นเพราะไม่ฝึกไม่อบรมตัวถือว่าเรามีโอกาสมากเวลามากอยากจะทาเวลาใดก็ได้ คิดอย่างนั้นเป็นอันว่าเราประมาทเพราะอย่างที่เรียกันหามันไหลเข้ามาอยู่ทุกการทุกเวลาทั้งกลางวันกลางคืนาเราไม่กำละสายสางยิตใจก็ไม่มีรันของไส่ไม่มีวันสงบได้ผลที่สุดเมื่อมันมีกำลังมากเท่าทลายก็จะสุดลา จิต ใ, ใจที่เชื่อเลี่ยงใสในศาสนาให้หลุดออกไปสัญญาอารมณ์ภายนอกเห็นที่สู่สามมาเนนอยู่ในศาสนาในด้เพราะใจใส่คิดคิดล้องสูปเสียงเรื่องราวต่างๆภายนอกอยู่ในศาสนาในวันมีเวลาที่จะสนุกสบายเห็นของนอกเป็นของดียิ่งกว่าอัดกว่าทำก็เลยอยู่ในศาสนาในด้ มีเรื่องที่ตัวฐานมันเน่นที่ทรงตัวอยู่ในสาสนาไม่ได้เพราะไม่อบรมจิตใจของตัวปล่อยให้กิเลสตัณหาครับถมโจมตีอยู่ทุกการทุกเวลาไม่มีความสุขความสบายได้ถึงหลักการบวชเป็นของที่ลำบากอยากเย็นเป็นของที่ใม่เนคุณเป็นประโยชน์อะไรเพราใจไม่เห็นหายใจเห็น เหตุอะไรจะไปเสด็จพิเศษเขากเ็เพจนักบวชหม่นี้นี่ท่ามสุขทุกอิยาบทจะนั่งจะยืนจะหลับจะนอนในนี้อะไรมารบกวนการงานก็เป็นการงานฟ้องตัวโดยเฉพาะเป็นการงานละเอียดในทำเพื่อลูกเผื่อล้านเผื่อโลกเผื่อสงสารทําเพื่อตัวของตัวโดยเฉพาะ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 จะต้องเกิดเต็มที่เต็มฐานทุกการทุกเวลาต่างหน้าบำเพ็ญเลื่อยไปละได้ทอนได้เทไรใจยิง่งสบายจริงใจยิง่ง <c oughs> ไม่มีอันตรายมาเกี่ยวข้องเนอชีวิตของตัวก็ไม่เห็นเป็นของมีจะไะประโยชน์อะไร <c oughs> เนื้ออาจเนื้อทำไปเพราะอาจทำเป็นของที่มีคุณค่าราคาสูงกว่าชีวิตความคิด ของผู้เห็นธรรมเป็นอย่างนั้นท่านจึงอยู่สถานที่ใดอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนอนในยินกินในอยากก็มีความสุขในตองหาอันอื่นมาเป็นสุงสุขใจสุขในอดในธรรมเท่านั้นเพียงพอบริบูรณ์เพียงอื่นท้ายนอกในตรงเกี่ยวข้องเพราะความพอดีพองามของธรรมเพราะความสุขของธรรมเป็นทของที่มีรสชาติ สมบูรอยู่แล้วมีผู้กระเพื่อมกรตีบัดเห็นอัดเห็นทำทานนันมีความสุขความสบายอย่างนั้นขันจะอัศจรรย์คนถีล่รำรวยอย่างนั้นอย่างนี้ขาดขันอยู่ไปก็ยังอาศัยไม่ใช่ขันจะเอาความสุขจากขาดจากขันเอาความดีอะไรไปอีกมีแต่จะพิจารณาทำตัวแก้ไข ให้รู้ยิ่งเห็นจริงเรื่อยไปถอดทอนอะไรที่มันโตออกแล้วมันหลุดออกแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มาเป็นข้าศึกอีกเพราะคิดตรงซึ่งเห่านั้นปัญญาที่เราเคยชี้แจงาะรอบตัวจะขึ้นมารับทีเดียวว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นเห็นชัดได้ปล่อยวางไปแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีการสงสัยลังเลใจ เป็นอัดเป็นทำเรื่องจิตเรื่องใจก็จะต้องมุ่งสวงสวงไปตามเรื่องภายนอกเหนื่อยไปแล้วก็จะสงสัยสถานนั้นที่นั้นเราว่าดีก็อยากไปสถานที่นี้เขาว่าดีก็อยากไปอยากไปสถานที่ใดหากเราไม่มีอจมัจไมรทมในตัวของเราผมเหมือนคนจนจะไปต่างประเทศก๋วจนจะอยู่ในประเทศก๋วยจน จะอยู่บ้านโจนออกจากบ้านไปป่าโจนสำหรับคนจนเป็นอย่างนั้นในนี้สถานที่ใดที่จะหาทำร่ำรวยมาให้นอกจากตัวของตัวจะกลับปรุงตัวของตัวมาอยู่สถานที่ใดถ้าหากไม่มีการงานหรือผู้คนพุกพ่านสะดวกสบายสงบสงัดใายนอกเทียงพอ สถานที่นั้นต้องควรอย่างยิ่งที่ผูกประเพณีปฏิบัติจะเร่งความผาดความเตียนที่นี่ที่จเจริญนาแกไขเรื่องใจของตัวหากคิดฟุ้งฟุ่งไปว่าสถานที่นั้นเพราะว่าดีก็อยากไปพอไปแล้วก็ไม่ทําเลยไปตำหนิแต่สถานที่ตัวกิเลสกัญหาที่ทที่หลังนั่งคอตัวไปในสัมรักสักขีก็เลยเป็นทาสของกิเลสกัญหาอยู่เรื่อยไป จึงปับปรุงจิตใจของตัวอย่างนั้นสอนตัวอย่างนั้นพอวันคืนเดือน ป, ปีหมดไปหมดไปอายุก้อนน้ำันแก่ไปความดีที่มีใน ใ, นใจไหนมีก็ไม่มีคุณธ่าอะไรนักปฏิบัติตรงนี้สอนตัวฝึกตัวสม่ำเสมอไปอยู่สถานที่ใดในโอกาสเวลารีบกระทำบำเพ็ญ อางเป็นที่เป็นฐานอย่าไปทุกที <c oughs> เรื่องการงานอ่นอื่น <c oughs> หรือว่าการทำความเปลี่ยนการสําระจิตเป็นการงานที่สําคัญเพราะการงานอันอื่นเป็นส่วนตีกย่อในใจของที่จะนำมาแบกมาหามเป็นเกิดความผิดการสําระจิตพระพุทธเจ้าคืาาอเป็นของสําคัญ พระองค์ท่านขออาศัยการชำระจิตจึงเป็นอาสวัยดยายดะในการทำ ง, งานอันอื่นเมื่อพวกเราทุกคนขนกิจที่นิจเจนาถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับทำความดีเพื่อแก่ไขจิตใจของตนสม่ำเสมอใจที่เคยปุ่งกุงใจต่างๆที่เคยสงสยัยลังเลจะตกออกหมดไป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 เด็กปัญญาในอย่างนั้นเดินใจก็นับวันมันจะปรุงปรุงไปออกพรรษารอยู่ในพนรษาก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเพราะวันคืนอันเดียวกันกิเลสมันจะออกจากใจออกแล้วจะดีวิเศษก็ไม่ใช่อยู่ในพันรษาจะกัะขังกิเลสตันหาไว้ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกัน เรามีโอกาสเวลาที่จะสําระสะสมเรื่องของกิเลส อ, อยู่เสมอไปถ้ากิเลสเป็นเจ้าหัวใจเราไม่มีความสุขถ้าธรรมะเป็นเจ้าหัวใจเราจะมีความสุ ข, รร ม, ข, ม, ม, สขมีความสบายจะเป็นหรือตายก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับจิตที่มีอัตมีธรรมพราอความเป็นอยู่ก็พอเพื่ออาจปฏิบททัติธรรมตายไปอาจทำสิเราพอเพื่อปฏิบัติได้ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหาย ไปตามเดืองตองตายของขาดขันฉะนั้นท่านจึงมีความเยือยกเย็นเป็นสุขอยู่สม่าเสมอคุณค่าราคาตายกับอยู่เท่ากันไม่มีอะไรคิดแปลกกัน <c oughs> นี่ผู้ที่เห็นที่เป็นในกินในใจจริงจงเป็นอย่างนั้นท่านในห่วงขาดห่วงขันปล่อยวางไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างพระท่านพิจารณารอบตัวยังพอแล้ว นี่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นท้อที่เหลือตันหายังขี่หลังนั่งคออยู่จะต้องอาศัยถาดขันเป็นเสื่อกําหนดเป็นเสื่อมไปทํท า, าทีนี้พิจารณาถาดขันแตกสลายไปการจะทําทางใจก็จะไม่มีเวลาเพราะไม่มีเสื่องมือที่จะทําถาดขันเป็นเสื่อมมือ สำหรับตำรับจิตใจพิจห น, น้าสมเด็จพิจหน้าอินไคล์พิจารณาในตัวของเรานี่แหละพอทำคำสั่งสอนของพู้ใจจับในใจนี้อยู่ที่อื่นถึง ท, ทานก่คนนี้แหละเป็นคนไห้ทานถึงคีนก่อนคนนี้แหละเป็นผู้รักษาคือกายใจนี้ภาวนาสมเด็จกันสำหรับตำรับที่เก่าไว้มากมาย จนไม่สามารถที่จะจดจำนำมาประพฤติปฏิบัติได้ทุกเนี่ยที่ง ม, มไปแล้วการศาึกษาตามตำรับตำราก็ทำให้เกิดทสส้องไสยทำให้เกิดเสียวเวลาศึกษามาแล้วจดจำมาแล้วแต่กีเหลืตันหาก็ยังคงเต็นคงว่าอยู่ไม่หมดออกไปเดี๋ยวว่าวีาวลาคะยุนโรธะนิพพา น, นท่านท่านจดจำได้อยู่ความเป็นท้องใจก็ไม่เป็นไปห ต้องศึกษาวยด้านปฏิบัติพิจารณากําจัดเรื่องที่ติดข้องของใจกําหนดให้เห็นเป็นจริงตามสถาบัของมันอย่างไรปล่อยวางไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเห็นเด่นในจิต ใ, ในใจปล่อยอะไรไปเหลืออะไรอยู่มันชำระเรื่องที่เหลืออยู่ให้หมดไปตกไปถึงจะ สมมติไม่ได้ว่าเป็นมีโลทะหรือมีภานะหรือเวลาคะก่อตามกวาศาสตร์จากคําเป็นจริงในจิตที่เห็นของจริงเรียนตัวนี้เรียนตัวใหญ่ๆตัวกายตัวใจถ้าเรียนได้ไม่มีหลงส่วนตำรานอกเรียนมามักอยากหลงอยากลืมและไม่คอยจะมีคุณค่าราคา เราฝึกเพื่อปฏิบัติให้ v คิดเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นโอปัยิโกน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจของเรา้าส่งออกไปในใจธรรมะเป็นทางที่จิคตาสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นโดยตาที่ได้ยินด้ดยหูก็น้อมเข้ามา พิจารณาทางใจเพื่อแก้ไขในใจของเราปล่อยวางหรือเห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นส่งออกไปทางนอก ม, กงงมกอีแต่ทางหลงมีแต่ทางผิดทางข้องแต่นอนเข้ามาภายในพิจารณาใจใจของตนเกียบกับสิ่งเหล่านั้นความหลงพอหนับวันที่จะเบาบางไป เป็นเหลืองสําระแก้ไขตัวเองทำทีเดียวว่าโอปะณัตยโกเป็นอย่างนั้นนัประจักตังได้เห็นขึ้นได้แะะก่กอนได้ยินได้เห็นอย่างนั้นแต่รูปที่เคยชอบเคยจิตเคยตำหนักยินดีมันก็จะปรุงจะคิดไปในรูปนั้นว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้เป็นเรื่องของลาคะตำหนักยินดีอยากกอดอยากจูกไป ถ้าหากน้อมเขามารูปนั้นอะไรกันที่เป็นรูปธาตุสี่ใช่ไหมยินน้ําไฟลมเขามีอย่างไรเรามีอย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เขายินดียินร้ายกับใครเราไม่เห็นมันก็มีอยู่แต่เราไปเห็นเขาทําไมไปติตเขาไปสอบเขาไปเผชิตามเขาเป็นเรื่องปัญญาที่จะแยกแย ะ, แยะที่จะรนายงาสอนใจท่องตนเฉียงก็เหมือนกัน เราไปเกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เราเกิดมา